ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในโลกกธาดนานมีดวงจันทร์โดยส่วนกว้างและยาวประมาณ49โยชน์ดวงอาทิตย์ประมาณ50โยชน์พบดาวพฤหุบ 10,000 โยชน์โดยส่วนกว้างและยาวเท่ากันพบอสูรมหานรกอเวจีและชมภูทวีปก็เท่ากันคือมีเนื้อที่กว้างและยาว 10,000 โยชน์ อมรโครยานทวีบเจ็ดพันยอดปุพหะวิเทหะทวีบเจ็ดพันยอดอุตรากุรุทวีบแป 8, ดพันยอดอันหนึ่งในโลกธาตุนั้นทวีบใหญ่แต่ละทวีบมีทวีบน้อยเป็นบริวารทวีบละห้าร้อยสิ่งทั้งปวงที่กล่าวมานี้นั้นรวมเป็นจักรวาลหนึ่งชื่อว่าโลกธาตุอันหนึ่ง ในระหว่างแห่งโลกธาตุทั้งหลายมีโลกันตริยะนรกแห่งละหนึ่งอันหนึ่งข้อความในตอนนี้คำภีปรมัตรมัญชุษาซึ่งเป็นคำภีที่อธิบายคำพีวิสุตรทีมักท่านอธิบายไว้ว่าจั ก, กรวาลก็คือโลกธาตุโลกธาตุได้ชื่อว่าจาั ก, กรวาลก็เพราะมีภูเขาจาั ก, กรวาล ซึ่งสันฐานดังกรงรถล้อมอยู่โดยรอบและช่องว่างระหว่างโลกธาตุอันหนึ่งกับโลกธาตุอีกอันหนึ่งนั้นจะมีโลกันตริยานรกตั้งอยู่หนึ่งแห่งเสมอไปฉะนั้นคําว่าโลกันตริยานรกนั้นก็คือนรกที่ตั้งอยู่ในช่องว่างระหว่างโลกธาตุนั่นเองเมื่อพระพุทธโคสาจารย์ได้บรรยายมาดังนี้แล้ว ในที่สุดท่านก็ได้กล่าวสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอนันตะจักรวาลอนันตะโลกธาตุมีประการดังกล่าวมาชะนีด้วยพระอนันตะพุทธญาณแม้โอกาสโลกคือโลกอย่างของเรานี้พระองค์ก็ทรงรู้โดยประการทั้งปวงโดยไนยะดังกล่าวมา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโล ก, กวิทูก็พระทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงดังนี้เรื่องโลกเรื่องจั ก, กรวาลตลอดทั้งเรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่พระพุทธโคสาจารย์บรรยายไว้ในคาพีวิสุทธิมักนี้ท่านผู้อ่านจะต้องแยกข้อความออกมาให้ชัดว่าเรื่องไหนตอนไหน เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และเรื่องไหนเป็นเรื่องที่พระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้เองเพราะจากข้อความที่ท่านบรรยายไวน้นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตลอดทั้งคำบรรยายที่เกี่ยวกับทวีปทั้งสี่และขุนเขาทั้งหลายนั้นท่านเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผิดแน่นอน แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากที่ชี้เห็นถึงแนวความคิดของคนในสมัยนั้นว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องจั ก, กรวาลอย่างไรและเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่กล่าวไว้ในคำพีพุทธศาส น, นานั้นได้มีเรื่องอื่นๆซึ่งไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ได้เข้ามาปะปนอยู่มากฉะนั้น นักศึกษาจะต้องรู้จักแยกแยะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความมัวหมองในคำภีพระไตรปิฎกและทำให้เกิดความชงนสนเทหรือเกิดความดูหมิ่นในเรื่องของพุทธศาสนาได้แต่อย่างไรก็ดีแม้แต่ที่อ้างเอาไว้ชัดว่าเป็นพุทธพจน์นั้นก็ต้องรู้จักวินิจฉัยด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอน ที่มติของศาสนาอื่นหรือรัฐที่อื่นๆเข้ามาปะปนอยู่ในคำพีพุทธศาสนาและอ้างว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังเช่นเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วคือตอนที่กล่าวว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงทำให้สว่างไปทั่วทิศ ต, ตลอดที่มีประมาณเท่าใด ในเนื้อที่ซึ่งมีประมาณเท่านั้นมีโลกาธาตุจานวนพันโลกาธาตุคือในพันโลกาธาตุนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาซิเนรุอย่างละหนึ่งพันมีชมพูทวีปอมอโคยานทวีปอุตรากุรุทวีปปุภาวิเทหะทวีปอย่างละหนึ่งพันมีมหาสมุทร มีมหาราชอย่างละสี่พันมีสวรรค์หกชั้นและพรหมโลกหนึ่งพันนีเรียกว่าสหาสีจุลนิกาโลกธาตุหรือจั ก, กรวาลขนาดเล็กมีพันโลกธาตุจากข้อความในพระสูตรซึ่งอ้างว่าเป็นพุทธพจนีแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าผิดแน่นอนเพราะการที่กล่าวว่า ในบรรดาโลกธาตุหนึ่งพันโลกธาตุนี้แต่ละโลกธาตุก็มีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงดวงจันทร์หนึ่งดวงมีทวีปสี่มีมหาสมุทรสี่และยังมีอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกับในโลกมนุษย์เช่นนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้กล่าวตามข้อเท็จจริงที่ไปเห็นมาแต่คิดเอาเอง หรือคาดคะเนเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเพราะจากการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้รู้กันแน่ชัดแล้วว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกหลายเท่าและโลกนั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ในคำภีนี้แสดงว่าโลกอยู่กับที่และพระอาทิตย์หมุนไปรอบโลกและยิ่งกว่านั้น ถ้าหากจะถือว่าในโลกอาตาแต่ละแห่งมีทวีปทั้งสี่และยังมีมหาสมุทรมีขุนเขามีป่าไม้ต่างๆเหมือนกับโลกมนุษย์นี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะพบแล้วว่าในดาวนับประคอ ด, ดวงอื่นเช่นดาวพระเสาดาวพระฤหัสบดีหรือดาวอะไรก็ตามที่มีอยู่ในสุริยะจักรวาล น, นี้ มีมนุษย์มีสัตว์มีแม่น้ำและมีอะไรต่างๆเหมือนกับในโลกมนุษย์เพราะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถส่งยานอวากาศไปสำรวจยังดาวต่างๆได้หลายแห่งทั้งสามารถถ่ายรูปบรรยากาศของดาวนั้นๆมาให้ดูได้ด้วยและอีกประการหนึ่งการที่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า คุณนเขาซีเนรูยาว 84,000 พันโยธกว้าง 84,000 พันโยธและอย่างลงในมหาสมุทร 84,000 พันโยธและอื่นๆนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะถึงหากจะเชื่อว่าในสมัยดึกดำบรรหลายสิบล้านปีหรือหลายร้อยล้านปีหลายพันล้านปีมาแล้วภูเขาซีเนรู คือภูเขาฮิมาลายนั้นเคยจมอยู่ในมหาสมุทรแต่ก็คงจะไม่ลึกถึงขนาดนั้นแน่พระโลกของเรานี้เส้นผ่าศูนย์กลางมีเพียงแค่ 12,740 กิโลเมตรหรือมีรัศมีประมาณ 6,370 กิโลเมตรถ้าหากขุนเขาซิเนรูยังลึกลงไปในมหาสมุทร ถึง 84,000 พยอดแล้วก็แปลว่าคุนเขานี้ต้องอย่างลึกลงไปทะลุโลกซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ตามมาตราโบราณ20สบวาเป็นหนึ่งเส้นสี่รอยเส้นเป็นหนึ่งยอดฉะนั้นหนึ่งยอดก็เท่ากับ16กิโลเมตรและความสูงของภูเขาฮิมาลัยเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็สูงเพียง 29,028 ้นฟุตหรือประมาณ 8,708.40 ยกิโลเมตรคือ8กิโลเมตร7จเมตร40เซนติเมตรซึ่งตัวเลขผิดกันมากมายหน้าที่แน่ๆก็คือโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ในคำพีอัตถกถากล่าวว่า พระอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างโลกนี้โดยการหมุนรอบเขาพระสุเมรุฉะนั้นจึงเป็นอันลงมติได้แน่นอนว่าเรื่องโลกเรื่องจักรวาลที่กล่าวไว้ในคำพีนั้นผิดแน่นอนและเมื่อผิดจะเชื่อได้อย่างไรว่าข้อความเหล่านี้เป็นพุทธพจน์และถ้าหากเชื่อว่าเป็นพุทธพจน์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเป็นสัพพันยูรู้อะไรทุกอย่างและรู้อย่างถูกต้องฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้จึงได้ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงดังที่กล่าวมาแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราไม่คำนึงถึงตัวเลขที่นับกันเป็นโยอดดังที่กล่าวมาถือเอาแต่เรื่องที่เป็นสาระก็จะทำให้เราคิดได้ว่า การที่ในคำพีกล่าวว่าในสากลจักรวาล น, นี้มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีโลกมีดาวนพะเคราะห์ต่างๆนับเป็นแสนแสนล้านล้านนานเป็นสิ่งที่ถูกต้องและรู้มานานแล้วจึงทำให้คิดว่าทางพุทธศาสนารู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะในสมัยนั้นไม่มีกล้องส่องดูดาว และถ้าหากต่อไปในอนาคตที่สตรได้แน่นอนว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่มาอย่างโลกมนุษย์โดยอาศัยจานวินหรือยานอาวกาศอะไรก็ตามเป็นเรื่องจริงก็จะยิ่งเป็นสิ่งมาสจัญยิ่งขึ้นเพราะในคำพี์พุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาก่อนขอให้สังเกตคาในคำภีที่ว่า ในแต่ละโลกธาตุมีทวีปทั้งสี่คือชมพูทวีปอมอนโคยานทวีปอุตรากุรุทวีปปุภาวิเทหทวีปและแต่ละทวีปก็มีมหาราชมีมหาสมุทรนีจาตุ ม, มหาราชอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อความเหล่านี้แหละที่แสดงให้เห็นว่าในโลกอื่นๆก็มีมนุษย์ และมีอะไรอีกหลายอย่างเหมือนในโลกมนุษย์โลกลอยอยู่ในห้วงอวกาศอันหนึ่งจากหลักฐานในพระไตรปิฎกดังที่ได้ยกมาให้ดูแล้วนั้นนอกจากจะกล่าวว่าในห้วงอวกาศอันไม่มีที่สุดนี้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวนพะเคราะห์ต่างๆนับเป็นแสนโกรล้านลกอะทัดแล้ว ยังมีอีกตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ลอยอยู่ในห้วงอวกาศเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันนี้เหมือนกันซึ่งข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นมีดังนี้ดูก่อนอาน o น์เหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างเหล่านี้ทาให้แผ่นดินใหญ่ไหวได้ เหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างคืออะไรดูก่อนอานน์แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยใดเกิดลมใหญ่พัดและเมื่อลมใหญ่กําลังพัดอยู่ย่อมทำให้น้ำไหวขณะน้ำไหวแล้วก็ทำให้แผ่นดินไหวนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งที่ทำให้แผ่นดินใหญ่ไหวได้ ข้อความที่อ้างมานี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหน้าร้อยสิบหข้อ98ซึ่งเป็นข้อความที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายให้พระนรนฟังว่าเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวนั้นมีอะไรบ้างทั้งนี้ก็เพราะเมื่อคราวที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขารว่าต่อจากนี้ไปอีกสามเดือน พระองค์จะาพริธิพานนันได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดความกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ได้บรรลือลั่นพระอานนท์ไม่ทราบเรื่องการปรงอายุสังขาร น, นี้มาก่อนต่อเมื่อมีเหตุการ์แผ่นดินไหวจึงได้เกิดสงสัยและได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมแผ่นดินจึงไหว คันแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวว่าทั้งหมดมีอยู่แปดอย่างและได้อ้างมาให้ดูเพียงอย่างเดียวเท่านี้ก่อนเราต้องการจะแสดงหลักฐานเรื่องโลกลอยอยู่ในห้วงอวกาศเท่านั้นอันหนึ่งตามข้อความที่อ้างมานี้ถ้าไม่สังเกตหรือ ศ, ศึกษาให้ละเอียดก็จะไม่รู้ว่า ตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าโลกที่เราเอาศัยอยู่นี้ลอยอยู่ในหวกอากาศทั้งนี้ก็พร้อมโพรงตรัสว่าโลกตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศปัญหามีอยู่ว่าน้าที่รองโลกนี้เอาไว้นั้นคือน้ำที่อยู่ในดินหรือน้าที่ลอยอยู่ในอากาศ เพื่อที่จะให้เข้าใจความหมายอันนี้ชัดเกฑ์ขึ้นฉะนั้นจึงควรจะได้ศึกษาจากคำอธิบายที่ท่านได้กล่าวไว้ในคําทีอัตถกถาดังนี้คำว่าสมัยใดเกิดลมใหญ่พัดนั้นหมายความว่าเมื่อเกิดลมใหญ่พัดขึ้นมาแล้วลมที่ว่านี้ก็จะพัดตัดลมที่อุ้มน้ำซึ่งหนา9ก้าแหหมื่นยอด ขาดสะบัน้นเมื่อลมที่อุ้มน้ําเอาไว้ขาดสะบัน้นน้ําที่ลมอุ้มเอาไว้นั้นก็จะตกลงมาในอากาศเมื่อน้ําตกลงมาแผ่นดินก็ตกลงมาแล้วลมก็จะหอบรับน้ําไว้อีกด้วยกําลังของตนเหมือนน้ําภายในธรรมกะรกคือเครื่องกรองน้ําของพระซึ่งเป็นอัฐบริขารอย่างหนึ่ง แต่นา น, น้ำก็พุ่งขึ้นเมื่อ น, น้ำพุ่งขึ้นแผ่นดินก็พุ่งขึ้นน้ำไหวแล้วก็ทำให้แผ่นดินไหวอย่างนี้การไหวของน้ำและแผ่นดินย่อมมีมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยประการชนี้แต่ความพุ่งลงและพุ่งขึ้นย่อมไม่ปรากฏเพราะเป็นของหนาจากคำอธิบายของท่านนี้แสดงว่า เหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเวลาเครื่องบินตกหลุมอากาศและที่ว่าแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมนี้น้ำในที่นี้หมายถึงน้ำที่มีอยู่ในอากาศคือพวกไอน้ำต่างๆไม่ใช่น้ำที่มีอยู่ในดินเช่นน้ำบาดาลหรือน้ำที่มีอยู่บนดินหรือตามพื้นดิน เช่นน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือน้ำในมหาสมุทรอย่างนี้เป็นต้นและคำว่าน้ำตั้งอยู่บนลมคำว่าลมในที่นี้ก็หมายถึงลมที่พัดอยู่รอบโลกและลมที่พัดอยู่เหนือกลุ่มเมฆทั้งหลายขึ้นไปอีกขอให้สังเกตคำที่ท่านว่าลมนี้มีความหนาวถึง9 6้าแสนหกหมื่นยออันหนึง่ง จากข้อความทั้งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและที่มีอยู่ในคำภีอัตกถฐานนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าผิดแน่นอนและแสดงให้เห็นอีกว่าในสมัยนั้นไม่มีใครรู้ถึงเรื่องแรงดึงดูดของโลกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนพเคราะห์อื่นๆเลยไม่เคยเฉลียวใจว่า ทำไมสิ่งของต่างๆเมื่อตกจากที่สูงจึงต้องตกลงสู่ที่ต่ำเสมอเรื่องนี้ในสมัยนั้นยังมีไมใครคิดกันฉะนั้นจึงได้นุ่มานเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโลกและจักรวาลผิดจากความเป็นจริงมากและเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าข้อความที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนั้น จะถือว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องเสมอไปไม่ได้แต่ก็ไม่ควรจะด่วนลงมติหรือชี้ขาดว่าเรื่องอะไรที่ตนไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงหรือที่ผิดจากที่ตนเองเคยเข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรือไม่ใช่พุทธพจน์อันนี้ต้องรู้จักแยกแยะถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระและที่สำคัญก็คือ ต้องรู้จักขีดความรู้ความสามารถของตนว่ามีอยู่แค่ไหนก่อนที่จะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรอันหนึ่งข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันยูนั้นในความหมายอันหนึ่งตามที่พระพุทธโคสอาจารย์ที่ได้อธิบายไว้ก็คือแม้กระทั่งเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆก็ทรงทราบตลอดทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนอกจากนี้ท่านยังได้อธิบายไว้อีกว่าแม้ในเรื่องสัตว์โลกและสังขารโลกก็ทรงทราบตลอดเช่นเดียวกันซึ่งข้อความอันนี้ท่านได้อธิบายไว้ในบทโลกวิทูดังนี้โลกมีสามอย่างคือสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกในโลกสามอย่างนี้ สังขารโลกพึงทราบในอนาคตะสถานคือตัวอย่างที่อ้างไว้ในคําพีว่าโลกคือสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ตวโลกพึงทราบในอนาคตาสถานว่าเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างเห็นว่าโลกไม่เที่ยงบ้างโอกาสโลกพึงเห็นในอนาคตาสถานว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรสองแสง ทำให้ทิศทั้งหลายสว่างสวัยโดยที่มีประมาณเท่าใดโลกในที่มีประมาณเท่านั้นมีอยู่หนึ่งพันโลกกับท่านอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในโลกเหล่านั้นทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกาวิทูคือทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกและโลกที่ว่านี้หมายถึงโลกสมอย่างคือสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนได้ที่บายถึงความหมายของโลกทั้งสามนี้โดยย่อตามที่ท่านได้ที่บายไว้ในคำทีวิสุทธิมรรค แต่เนื่องจากความหมายที่ท่านอธิบายไว้นั้นยังไม่กระจ่างนักฉะนั้นในฉบับนี้จึงต้องอธิบายถึงเรื่องนี้ต่อเพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกนั้นหมายถึงรู้แจ้งอย่างไรก่อนที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปนั้นใครจะให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาถึงเรื่องดังต่อไปนี้ก่อน เยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจ่เอวังวาทีมหาสมโนรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตได้ตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นและได้ตรัสถึงความดับของธรรมทั้งหลายเหล่าน ah ั้นด้วยพระมหาสมณะคือพระมหาสมณะโคดม มีปกติตรัสเช่นนี้ข้อความอันนี้เป็นคำของพระอาชิที่แสดงธรรมแก่พระสารีบุตรในสมัยที่ท่านยังเป็นปริภาชกมีชื่อว่าอุปติสะยังไม่ได้เข้ามาบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาและจากการฟังธรรมเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้ท่านอุปติสะเกิดดวงตาเห็นธรรม และหลังจากนั้นก็ได้ไปชักชวนให้พระมหาโมคคัลลานะกับท่้งบริวารของท่านทั้งหมดรวม250รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและทุกองค์ต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปทราบกันดีเพราะในวันมาฆบูชาทุกๆปีที่ว่ามีพระอรหันต์ร้อยรูปไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมายนานในจำนวน1250รูปนี้ 1,000 พก็คือคณะพวกชดินสามพี่น้องและอีก250ก็คือคณะของพระสารีบุตร และพระมหาโมคคลานะพร้อมทั้งบริวารดังที่กล่าวมานี้ผู้ที่ได้อ่านหรือฟังเทศเกี่ยวกับคาถาบทนี้ถ้าหากไม่พิจารณาให้ละเอียดแล้วจะไม่รู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งเลยเพราะจากคาถาบทนี้พระสัชชิได้แสดงให้ท่านอุปติสสะทราบว่าพระศาสดาของท่านนั้นเป็นสัพพันยู ที่ว่าเป็นสัพพันญ์อยู่ก็เพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุคือไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวข้ามันเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งประกอบขึ้นมาทั้งสิน้นและสิ่งใดเมื่อจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้ว พระพุทธเจ้าจะทรงรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยของสิ่งนั้นๆทั้งหมดและรู้ถึงความดับของสิ่งเหล่านั้นด้วยหรือพูดอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงความเกิดของโลกและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งสิ่งที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไร้ชีวิตเช่นสสารพลังงานต่างๆ หรือพูดตามสำนวนทางพุทธศาสนาคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ทรงทราบสิ่งเหล่านี้จะดับสูญที่นาฏย่อยยับดับไปเพราะอะไรก็ทรงทราบยิ่งกว่านั้นบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นพืชไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ในโลกของมนุษย์ หรือในโลกของโอปปะติกะคือในโลกที่ตาธรรมดามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงทราบทั้งสิ้นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะอะไรจะดับสูญสิ้นไปเพราะอะไรและรวมทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่นี้และโลกอื่นจักรวาลอื่นพระพุทธเจ้าก็ทราบทั้งสิ้นยานของพระพุทธเจ้านี้ นับว่าเป็นสิ่งมสาสัจจร์และเหลือเชื่อจริงๆแต่ถึงกระนั้นความจริงก็เป็นอย่างที่กล่าวมานี้จริงๆและเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของคาถาบทนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นและจำได้แม่นยำด้วยฉะนั้นจะขออธิบายความหมายให้ดูทีละคำเสียก่อนดังนี้คำว่าเยธรรมมาเหตุปภพวา คำว่าทำมาซึ่งแปลตามตัวว่าทำทั้งหลายนี้ทำในที่นี้มีความหมายสามอย่างคือรูปประธรรมทั้งหมดนามประธรรมทั้งหมดและกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติทั้งหมดคำว่าทำทั้งหลายนั้นมีความหมายดังที่กล่าวมานี้รูปประธรรมก็คือธาตุทั้งสี่หรือสารพลังงานทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เป็นพืชเป็นต้นไม้และเป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามจะเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์หรือสัตว์สร้างขึ้นหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติก็ตาม เช่นก้อนหินก้อนดินแร่ธาตุต่างๆตลอดทั้งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวทั้งหลายในท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารูปธรรม ท, ทั้งหมดอย่าลืมว่ารูปธรรม ท, ทุกอย่างเป็นสิ่งที่สามารถจะมองเห็นจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้านามธรรมาเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับรูปธรรม นามาธรรมนั้นไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่ช่างวัดตวงด้วยเครื่องมือทางวัตถุใดๆไม่ได้ไม่สามารถจะสัมผัสหรือเรียนรู้โดยตรงด้วยประสาทสัมผัสทั้งหคือไม่เหมือนกับวัตถุเช่นรูปซึ่งสัมผัสได้ทางตาเสียงสัมผัสได้ทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้น โหดถับพะหรือสัมผัสต่างๆทางกายส่วนนามธรรมนั้นจะสัมผัสหรือเรียนรู้ได้ทางเดียวคือทางมโนสัมผัสเท่านั้นนามธรรมก็คือเรื่องของจิตใจทั้งหมดซึ่งทางพุทธศาสนาได้แบ่งไว้ดังนี้สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดเรียกว่ารูปธรรมหรือมหาภูตรูปอุปาทายรูป ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสี่คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังงานเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นามธรรมทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวัตถุหรือรูปธรรมทั้งหมด กฎธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันในทางเคมีฟิสิกส์หรือวิชาคณิศาสตร์สิ่งเหล่านี้ทางพุทธศาสนาก็ไม่เรียกว่านามธรรมนามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเอาไว้มีเพียงสี่อย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นรูปธรรมและนามธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยนั้น อันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุหรือเป็นสิ่งที่มีเหตุอันนี้เราจะตอบได้ไม่ยากถ้าหากจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่ากฎธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าหรือมันมีขีดจำกัดในเรื่องกาลเทศะหรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่า กฎธรรมชาติทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นได้เองเช่นในกรณีที่ว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดแรงดึงดูดเกิดจากอะไรและมีจำกัดหรือไม่ถ้าคิดถึงปัญหาข้อนี้แล้วก็จะทำให้รู้ว่าแม้กฎธรรมชาติก็มีเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นได้เองหรือลองคิดดูว่า สสารคือธาตุแท้ต่างๆนั้นถ้ามันสลายตัวกลายเป็นพลังงานไปแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆในตัวของมันจะสูญสิ้นไปด้วยหรือไม่ถ้ารู้เรื่องนี้ดีก็จะตอบได้ว่ากฎธรรมชาติก็มีเหตุเหมือนกันไม่ใช่เกิดขึ้นเองกฎทั้งหลายย่อมมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องถึงกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน และจะทำนองเดียวกันคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราทุกขานานในความหมายอันหนึ่งก็คือขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องมีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์หรือสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่สามารถจะทาลายหรือเบียดเบียนบั่นทอนอยู่ด้วยเสมอ สังขารโลกอันหนึ่งคำว่าโลกสามนั้นสัตว์โลกคืออะไรโอกาสสโรกคืออะไรอันนี้เข้าใจไม่ยากแต่คำว่าสังขารโลกซึ่งตัวอย่างที่ท่านอ้างไว้ในคำทีวิสุทธิมักว่าสังขารโลกพึงทราบตัวอย่างในอาคตะสถานคือตัวอย่างที่อ้างไว้ในคำทีว่าโลกหนึ่ง คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารผู้ที่อ่านเพียงแค่นี้แน่นอนย่อมจะไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงเลยและเรื่องนี้ได้มีปัญหามานานแล้วคือยังไม่มีใครชี้แจงได้อย่างแจ่มแจง้งและถูกต้องว่าหมายถึงอะไรแน่และที่ว่ามีปัญหามานานแล้วน้นก็เพราะ แม้แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสก็ยังไม่ปรงพระไยว่าหมายความอย่างไรแน่ดังเช่นที่พระองค์ได้รจนาไว้ในหนังสือธรรมวิภาคบริเชษ ท, ที่สองตอนอธิบายเรื่องโลกสามไว้ดังนี้โลกสาสังขารโลกโลกคือสังขารสัตวะโลกโลกคือมูลสัตว์ โอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินโอกาสสโลกได้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมูลสัตว์ข้าพเจ้ายังไม่โปรงใจในสังขารโลกทราบว่าสังขารในที่อื่นหมายเอาทั้งสัตว์ทั้งพัสดุอื่นไม่ได้หมายเอาสภาวธรรมที่แยกกระจายออกแล้วเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นโลกชนิดหนึ่งแล้ว สังขารโลกน่าจะได้แก่พวกกระบินไม้ที่เรียกในภาษามคตว่าภูตะคามอันเป็นอนุปาทินกะสังขารแปลกจากสัตว์โดยอาการไม่มีใจครองแปลกจากโอกาสโลกโดยอาการรู้จักเป็นรู้จักตายเมื่อถือความอย่างนี้โอกาสโลกก็เป็นที่อาศัยของสังขารคือพวกกระบินไม้นั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งศัพท์ว่าสังขารหมายเอาสภาพผู้ปรุงแต่งกล่าวคือกรรมก็มีได้ในคําว่าสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยโดยในนี้สังขารโลกก็น่าจะได้แก่กรรมอันปรุงแต่งสัตวโลกกับโอกาสโลกอันเป็นที่อาศัยให้เจริญหรือสาม ขอนักธรรมพิจารณาดูเถิดหนังสือธรรมวิภาคปริเฉด ท, ที่สองนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสได้รจนาเมื่อพุทธศักราช2460และตั้งแต่นั้นมาข้อความในหนังสือนี้ก็ยังไม่เคยมีใครแก้ไขเพิ่มเติมทั้งที่พระองค์ก็ได้บอกไว้แล้วว่า เรื่องนี้ยังไม่ปรงใจว่าหมายถึงอะไรแน่และจากข้อความในหนังสือธรรมวิภาคบริเชษที่สองที่คัดลอกมาให้ดูนี้จะเห็นได้ว่าคำว่าสังขารโลกเป็นคำที่มีความหมายยังไม่กระจ่างชัดว่าหมายถึงอะไรแน่แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราได้อ่านข้อความที่พระพุทธโคสาจารย์ ท่านอธิบายไว้ในคำพีปรมัทโชติกาภาคสองตั้งแต่หน้า3 0 8 3้ถึงซึ่งเป็นอัธกถ า, าของสุตตานิบาตในคุตกานิกายแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้นซึ่งข้อความที่ท่านอธิบายไว้มีดังนี้ที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นโล ก, กวิทูรู้แจ้งโลกนั้น หมายถึงรู้แจ้งโลกสามอย่างคือสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกและที่ว่ารู้แจ้งสังขารโลกนั้นหมายถึงรู้แจ้งอย่างนี้คือทรงรู้ว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดํำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามและรูปโลกสามคือเวทนาสาม โลกสี่คืออาหารสโลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนาภายในหโลกเจคือวิญญาณชิติเจโลก8ดคือโลกธรรมแปโลก9คือสัตตาวาส9โลกสิบคืออายตนาสิบโลกสิองคืออายตนาสิองโลก18คือธาตุสิปด และที่ว่าทรงรู้แจ้งสัตว์ตะวโลกนั้นหมายถึงทรงรู้อย่างนี้คือทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายทรงรู้กิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายทรงรู้จริตทรงรู้อารมณ์ทรงรู้สัตว์มีทุลีคือกิเลสน้อยสัตว์มีทุลีคือกิเลสมากสัตว์มีอินทรีย์กล้า สัตว์มีอินทรีย์อ่อนสัตว์มีอาการดีสัตว์มีอาการชั่วสัตว์ที่รู้ได้ง่ายสัตว์ที่ให้รู้ได้า ย, ไดยากสัตว์เป็นพัพพระคือที่สามารถตรัสรู้ได้สัตว์เป็นอภัพพระคือที่ไม่อาจตรัสรู้ได้และที่ว่าทรงรู้โอกาสโลกนั้นหมายความว่าทรงรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆ ดังที่เคยที่บายมาแล้วในตอนต้นและจากข้อความที่แปลจากภาษาบาลีในคำภีปรมัตโชติกานั้นเห็นได้ชัดว่าข้อความที่พระพุทธโคสาจารย์ได้อธิบายไว้ในคำภีวิสุทธิมัคนั้นมีเนื้อความอย่างเดียวกันกับที่ท่านอธิบายไว้ในคำภีปรมัตโชติกา เป็นแต่ในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้สั้นๆและไม่ชัดแจ้งเหมือนที่กล่าวไว้ในปรมัตถโชติกาอันหนึง่งแม้ท่านจะทีบายไว้ว่าที่ว่ารู้เรื่องสังขารโลกนั้นหมายถึงรู้ว่าโลกหนึ่งคืออะไรโลกสองคืออะไรเป็นต้นนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องสังขารโลกนี้ยังไม่แจ่มแจ้งนัก ก็สมแล้วกับที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็ทรงสงสัยว่าหมายถึงอะไรแนะ่แต่ถ้าพิจารณาถึงข้อที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องโลกทั้งสามนี้โดยอาการสี่อย่างคือหนึ่งรู้โดยสภาวะสองรู้โดยสมุทยัยคือรู้ถึงเหตุที่ทําให้เกิดสรู้โดยนิโรธคือรู้ถึงความดับ สรู้โดยอุบายที่ทําให้ดับคือรู้ทางที่ทําให้โลกเหล่านี้ดับเช่นนี้ก็จะทําให้เราแปลความหมายที่ท่านกล่าวไว้นั้นชัดขึ้นคําว่ารู้โดยสภาวะนา น, นหมายถึงรู้สภาพหรือธรรมชาติของสิ่งนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเช่นรู้ว่าโดยธรรมชาติคนมีลักษณะอย่างไร สัตว์ชนิดนานชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรหรือนามธรรมแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรรูปคือธาตุทั้งสี่แต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรโลกนี้มีลักษณะอย่างไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือวัตถุธาตุชนิดนานชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้โดยสภาวะ นอกจากจะรู้โดยสภาวะแล้วยังรู้อีกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรดับไปอย่างไรและอะไรที่ทำให้เกิดอะไรที่ทำให้ดับการรู้แบบนี้เป็นการรู้โดยสิ้นเชิงรู้ตลอดทั้งหมดถ้าหากได้คำนึงถึงคำที่ท่านกล่าวไว้เช่นนี้แล้วเราก็สามารถจะแปลความหมาย ในเรื่องโลกทั้งสามนี้ได้ถูกต้องเช่นในข้อที่ว่าทรงรู้เรื่องสังขารโลกนั้นหมายความว่าทรงรู้แจ้งเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆในโลกเช่นทรงรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือทรงรู้ว่าน้มและรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอะไรบ้าง แม่โลกสามโลกสี่ดังที่กล่าวมานั้นก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อพูดถึงในแง่ที่ว่าทรงรู้แจ้งสังขารโลกนันหมายถึงทรงรู้แจ้งเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆในโลกดังที่พระสัชชิได้แสดงไว้แล้วว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุทัตถาคตได้ตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายเหล่านั้น และตราบถึงความดับของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยซึ่งเรื่องนี้ได้ที่วายมาแล้วแต่เพื่อต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้นไปอีกจะขอนำข้อความในพระสูตรอีกแห่งหนึ่งมาให้ศึกษาประกอบอีกดังต่อไปนี้